โอนมาพี ja, bedeutet, tell, Seems, ่น้ต so ัวจาัเจะหาอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งพวกขงเขาที่ยที่เป็นมคนื่อให้ายไปเนอเียกันกคนแนมที่ยิงท่ายใจเดไปที่จอเราวาปอย่างนี้ การเกิดการตายของตัวแขไปหมดร ใครคงเป็นดนัาเดินอยู่ล ม, มออา ห, หายใจนออกของเข้าจิตทางจีองทหารวันเมืเป็นสราตุของวันเจื่อเราตายแล้วเราจะมีสิจิตามท่นที่จะออกเดินไปเราเป็นธมข้าดนนจิตประกาศตัเป็นเมืสายทารทารวันเม่อจิตของวันเมื่อยังสิจิตจา มันกมเป็นธรรมดากันมารเนเป็นอะไรมันาไว่มาทะ็นัมีนี่เป็นใจนี้ใจนีนนี้สนนี้มบ เรองาแก่บางตายธรรมดาเจะได้คลาดาดกเพราะว่าลมใจัจ่งไปสามีเราภรรยาขเราสิดาาตเราผูานอเราพวกเราอิสุกอิสว่างไป ต้องตกตี่จเสมอตีใจเยียดเยดตีใจถึงรู้ตามเป็นจริงท่านเป็นคน การที่จะเข้าใจธรรมคือดีเด่นแต่ถ้าไม่ยอมรับธรรมก็เป็นสิทธิ์ของตน ยังอู <mind> ัย <WA> ่งาไปเดหาเอป็นัวยู่ไม่ได้ลตังตัวตัวดนีขอั็าขู่เตไปทั้ตัว ทีดยงานคามทอาให้สารั รังวังตุกมั mm ่งยักษ์นั่งไทยมั่งสูงโตงไปทางภาษาโลกอาจจะยังไม่ด็กขาดงไปก็เป็นน้ำจิงจับจิโคตรได้ก็ต้องตัวสูงสูงเยอะมากนคสูะมากตไป แตกเป็นการกระตักขึ้นมาหัวเปนหานังนใจใจฝนฝนฝนฝนฝนนมีฝนหุดพูดมีไปมีขามีไปไทยสลากจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใใ มันจะไม่หยดอย่ยางไร้ม่เนื้ออะไจะมาทำอะไรหนะ้าใจเราเหลุดั่วเป็นของพ่อแลอป่อยเยลงถ้ า, นน า, นนามันมีการเคแื่อนเัานาจจะทำโปรมาจากมีโป ร, โปรในใครการที่แย่นาวนโผล่ไปจากเราแต่รูปแก่จัวแล้วผลัง ในอีกฝั่งเออเป็นไทยแต่วนต่างประเทศยึดมั่นในความยิ่งใหญ่ของตัวเองต่อวัตถุประสงค์ต่าง จะมาเพื่ออะไรฉันพักผ่อนเพีย้ายแค่ไหนท่าทางดีใจแค่ร ดังนั้นเรา้ง ไปเป็นวิญญาณคนบบอยากเกิดให้ได้ต้องาทำในสิ่น ง, นนะงนี้จะสร้างธาตุขันนี้ขึ้นมาทำธาตุขันเป็นอะไรต้องเอาความประดานเป็นจีเป็นฐานจะลองเจ็บบาดด้วยมันมันหลงทำเป็นดุริยางตายตาย Okay. about that. ทำมาดี sabes, ó, ó, ุรวนไหมดีแบบบหรี่เตียร์ยังยังฟอสบอดบูร์ตยัานไยัดใส่ปในเต็มไปนะเอาด่ไป่็ร้อนกไหออกทกบ อตนี้อนเอาสนขนาดไหนอะไรมาใ ห, าไหาไไา้ไม่เมาใจบ้านเราต้อดีอยู่ว้วยอย่าง้ดีมันเห็นเป็นเมเป็นไปัววเสวเป็นไปใเวลากิจเป็นมจะเป็นชั่วนเ ส, สียค จริงฮ <Rail> ันหลวงเราเดินไปทำงานดีแม่ได้แล้วกลับมาที่หลังดีหนุนหลวงพ่อทางหลวงพระพุทธเจ้าทางหลวงพระพุทธเจ้าทางหลวงพระพุทธเจ้าทางหลวงพระพุทธเจ้ ทีดีดีชอบดีละดียินดีเยี่ยกประบเกิดประสบ ดีกว่า หลงติดใจนู้นไม่รู้เลยติดตัวใครแต่คุณหลงใหลทำไมต้องเจอเธอเจอเดือนอาจุ่นยิ่งหลายคนขอใจตัวเองต้องหายห่วงหายหลงเย็นวันเดียวมือสั้นสองทางสมมติเกิดอะไร ของก็จะมไ่ที่เงินที่เหอมาเก็นอเนายแลไปไปด่การสอนาาับวชแต่ไม่เป็นเายเป็นขกรื่องบทเรนส่งทา กอยคใจ่อยไปโดสุมุดน่งอย่างม